ที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่สงฆ์ที่ขอมาเองแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นในนิสสกิยปาจิตตีสิกขาบทที่เจนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐานละ